ถ้าทําให้ผิดก็ถูกเองอะ่ะอย่าทําให้ผิดกับลรากันถามว่าทําอะไรผิดสิ่งที่ผิดมีสองอย่างลืมตัวเผลอไปกับเพ่งเอาไว้เผลอตามกิเลสไปกับเพ่งเอาไว้บังคับตัวเองอันหนึ่งก็ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสอันนึงกดขม่มบังคับกายบังคับใจ ทำตามใจกิเลสเรียว่าการมาสู่ขาดริการุโยกบังคับตัวเองเรื่องอัตตากิมรมาฐานุโยกเป็นอย่างที่พวกเรานักภาวนาเนี่ยในคำภีอัทธกถาเนะเขียนเมื่อปีประมาณ1600ไปวิเคราะห์ไว้บอกพวกนักปฏิบัติพวกคนรักดีเนี่ยสิ่งที่ทำนะส่วนใหญ่ชอบบังคับตัวเอง บังคับกายบังคับใจมันสังเกตดูเถอะมาจนถึงวันนี้นักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็คือบังคับกายบังคับใจเพราะว่านึกว่าแค่รู้กายรู้ใจไม่พอต้องบังคับกายบังคับใจถึงจะดีในความสุดโตรงมันก็มีสองด้านถ้าเมื่อไรเผลอนะตามใจกิเลสหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งฟุงซานไป จิตฟุ้งซ่านนีจิตมีโมหะทำให้รู้สภาวธรรมคือรูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏไม่ได้งั้นเมื่อไหร่หลงตามกิเลสไปนะ่ก็ฟุ้งซ่านสังเกตไหมเวลาใจเราฟุ้งมันฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไม่ได้ฟุ้งไปไหนหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิน่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่ง เห็น ไ, ไหมหลงทางตาแม่ชีเดินมาดูกันใหญ่หลงทางตาลืมตัวเองใจฟุ้งซ่านเห็นไหมจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตมีโมหะจิตที่มีโมหะลักษณะของโมหะก็คือไม่สามารถรู้สภาวะที่กําลังปรากฏได้โมหะเป็นตัวปิดบังงั้นเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฟุ้งไปในรูปเสียงกลิ่นรสพถะ ธ, ธรรมารมณ ธรมารมคือสิ่งที่รู้ได้ใจถ้าฟุ้งไปนะใจไม่ตั้งมั่นใจไหลาตามไปในขณะนั้นจะรู้กายรู้ใจไม่ได้นี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็คือเพ่งกายเพ่งใจเพ่งมีหลายดีกรีเริ่มตั้งแต่ว่ากำหนดเบื้องต้นก็กำหนดกำหนดรูปกำหนดนามกาหนดลมหายใจกำหนดท้องพองยุบกำหนดมือกำหนดเท้านะ มีกระทั่งกำหนดจิตได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมกำหนดจิตอย่าง น, น้นกำหนดจิตอย่างนี้กำหนดว่ากดกดก็คือข่มไว้ควบคุมไว้บังคับไว้พยายามทำให้อยู่ในอำนาจถ้ามากๆหน่อยก็เป็นการเพ่งเบื้องต้นก็แค่กาหนดถัดจากนั้นก็ประคองประคองได้ที่ก็เพ่งเลยเพ่งแล้วแน่นปึกปึกขึ้นมา ประคองไว้อาจจะกําลังพอดีก็สบายเคลิมเคลมมีความสุขไปเกิดปีติเกิดความสุขถ้าเพ่งรุนแรง mm hmm. เกิดความทุกข์เพ่งพอดีพอดีเพ่งสบายสบายมีความสุขจิตได้สมถะถ้าประคองไว้ก็อาจจะได้สมถะค่อยๆประคองสบายๆถ้าเพ่งจ้องเนี้ยเครียดนะกำหนดก็ทําด้วยโลภะ มีความอยากอยปฏิบัติก็กําหนดมือกําหนดเท้ากําหนดท้องกําหนดลมหายใจกําหนดไปเรื่อยเบื้องหลังการกําหนดก็คือโลภะหลงตามกิเลสไปนะเบื้องหลังมันก็โมหะนะประคองไว้กําหนดไว้เนะบื้องหลังมันก็คือโลภะอยากดีอยากปฏิบัติอยากสุขอยากสงบกําหนดไว้เพ่งไว้ควบคุมไว้บังคับไว้ประคองไว้ข่มไว้เนี่ย มีหลายดีกรีเข้มข้นต่างๆถ้าเมไร่ไปเพ่งไว้กําหนดไว้ควบคุมไว้ประคองไว้นันกายก็จะนิ่งใจก็จะนิ่งกายนิ่งใจนิ่งไม่แสดงไตร ล, ลักษ์ให้ดูเมื่อไม่แสดงไตร ล, ลักษ์ก็ทําวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนานั้นต้องเห็นความเป็นไตร ล, ลักษ์ของกายของใจวิปัสสนาไม่ใช่แค่เห็นกายเห็นใจพวกเราอย่าสําคัญผิดนะ รุ่นหลังๆที่เรียนกรรมฐานมันเพียนเพียนเยอะเลยที่เรียนกันยังคิดว่าถ้าดูท้องไปเรื่อยๆไม่ลืมท้องเนี่ยทำวิปัสสนาการที่เห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามนั้นยังเป็นสมถะอยู่ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะขึ้นวิปัสสนาจริงๆอย่าถ้าเพ่งมือนะเพ่งไปเรื่อยมือไหวรู้ตัวตลอดเลยเพ่งเพ่งเพ่งจ้องหลวงพ่อทำหน้าให้โอเวอร์แอคชั่นนิดนึง ไม่ลืมเลยนะไม่มีวันเป็นวิปัสสนาเป็นสมถะเพ่งอะไรก็เป็นสมถะเงั้นสิ่งที่ผิดนะทําให้เราภาวนามไม่ได้ก็มีสองตัวตัวหนึ่งหลงตามกิเลสไปฟุ้งซ่านไปก็ลืมกายลืมใจดูกายดูใจไม่ได้ตัวที่สองก็คือการเพ่งกายเพ่งใจพอเพ่งแล้วมันไม่แสดงไตรลักษณ์ ถ้าวิปัสสนาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเนะี่ยถ้าเผลอเนี่ยลืมกายลืมใจเลยอย่าว่าแต่จะดูไตรลักษณ์ของกายของใจเลยนะแค่กายกับใจก็ไม่เห็นละถ้าเผลอไปแต่ถ้าเพ่งไว้นะรู้กายรู้ใจได้แต่กายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่แสดงไตรลักษณ์อีกแหละเมื่อไหรไม่เผลอเมื่อไหร่ไม่เพ่งนะมันนั้นก็รู้นะก็รู้ไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไวหวคอยดูไป ข el, ันแรกก็แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจก่อนถ้าเมื่อไหรเราใจลอยนะเราจะไม่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจกายกระใจหายไปเวลาใจลอยหลงไปเนี่ยกายกระใจหายไปเงี้ยเบื้องต้นนะเราแค่คอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจอย่าไปเพ่งนะแค่รู้สึกเนี่ยแค่รู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจอันเนี้ยจะทําให้ไม่เผลอไปไม่ฟุ้งไปที่อื่นนะจิตใจมอยู่กับเนื้อกับตัว พอจิตใจมอยู่กับเนื้อกับตัวรู้กายรู้ใจได้แล้วอย่าเพ่งอย่าจ้องใส่กายใส่ใจนะเบื้องต้นรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจถัดจากนั้นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นไม่เข้าไปแทรกแซงปล่อยให้เขาทํางานของเขาตามธรรมชาติธรรมดาของเขานะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกเห็นเลยว่าตัวที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราหรอก ร่างกายมันหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเราก็แค่รู้สึกแล้วก็รู้ลงไปเลยเนี่ตัวที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายมันเป็นคนหายใจไม่ใช่เราหายใจมันปวดมันเมื่อยเราก็เห็นนะความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาอยู่ในร่างกายร่างกายเป็นวัตถุร่างกายปวดเมื่อยไม่เปลี่ยน ความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาช่วครั้งช่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เ, นเกิดแล้วก็ดับดูเป็นใจรักเหมือนกันจิตใจที่เป็นกุศลเป็นอกุศลนะก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูเราก็เห็นมีความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงตลอดเวลาเลยเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงดูจิตนะจะเห็นความไม่เที่ยงง่าย ดูกายจะเห็นทุกง่ายดูดูกายดูไม่เที่ยงนี่ดูยากนะเพราะรูปนั้นอายุยืนกว่าน้ำงั้นจะดูให้รูปเห็นรูปเกิดดับหนึ่งรูปเนี่ยใช้จิตเกิดดับไปจํานวนมากแต่ถ้าเราดูจิตเนี่ยเราจะเห็นเกิดดับตลอดเวลาะงั้นดูจิตนี่จะเห็นความไม่เที่ยงง่ายะงั้นเราดูจิตใจไม่เที่ยงอย่างเดียวนะดูไปด้วยเดี๋ยววันหนึ่งปัญญาเกิดอีก มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงเราบังคับไม่ได้หรอกมันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันจะดีหรือมันจะร้ายเราบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเนี่ดูลงไปนะเห็นกายมันก็เป็นทุกข์นะเห็นจิตใจเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาดูง่ายดูไปเรื่อยๆในสุดมันก็เห็นความจริงเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ของดีของพิเศษนะมันก็ค่อยๆคลายออกไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจงั้นจุดตั้งต้น ถ้าทําให้ผิดสองอย่างเราก็สามารถเจริญวิปัสสนานได้ไม่เผลอไปแล้วก็ไม่ไปเพ่งกระทั่งเวลาภาวนามาช่วงหนึ่งนะมันก็กลับมาปัญหาเดิมอีกเผลอกับเพ่งผิดกอผิดเหมือนเดิมเองแต่ว่ามันประณีตขึ้นเช่นเผลออะไรเวลาเราภาวนานะเราเห็นสภาวะเกิดดับเห็นอารมณ์เกิดดับไปช่วงหนึ่งนะใจมันเคลื่อนใจมันเคลื่อนไปดูความเกิดดับเนี่ยมันถล่มลงไปดู ตัวนี้เผลอแล้วถล่มลงไปดูแต่ถ้าสนใจมากมากแล้วกนะลายเป็นเพ่งนะแต่ถ้าแค่เผลอๆดูๆแล้วลืมเนื้อ ล, ล, ลืมตัวนะหลงไปพอหลงไปดูสภาวะนะั้นจิตไม่อยู่ในฐานนะจิตเคลื่อนส่วนมากมาอยู่ข้างหน้าเพราะเราเคยชินที่จะดูทุกอย่างด้วยลูกตาเราไม่เคยชินที่จะดูด้านหลังจิตใจนี้ก็เคยชินที่จะไปดูข้างหน้าพอดูๆแล้วคล้ายๆชะงกไปเลยจิตเหมือนนกนะอยู่ในกลง ชงโง่หัวออกมาจากกรงนะตัวยังอยู่ข้างในแต่หัวไปค้างไว้นอนเวลาจิตของเราส่งออกไปมันไม่ส่งไปเกาะอยู่ในความว่างหลายคนภาวนาแล้วไปติดความว่างไปติดความว่างก็เพราะหลงไว้นั่นเองพอเพราะเผลอไปหลงไปไปติดความว่างก็ลืมกายลืมใจไปติดความว่างก็เป็นการมาสู่ขาริการุโยกก็ผิดเหมือนกอันเรื่องเบื้องต้นนั่นเองเพียงแต่ว่ามันประณีตกว่า เบื้องต้นั้นมันหลงไปแล้วมันหลงไปคลุกอยู่กับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่หยาบหยาบพอมาหัดภาวนามาเห็นสภาวะเกิดเกิดดับดับไปช่วงหนึ่งนะมันหลงประณีตขึ้นมันไปหลงอยู่ในว่างๆนึกว่าไม่มีอะไรเกิดดับนะความจริงว่างๆก็เป็นพกมันหนึ่งเกิดขึ้นมาเดี๋ยวไม่นานมันก็ดับนะถ้าดูเป็นดูไม่เป็นไปหลงติดอยู่กับมันก็ติดอยู่งันเป็นปีๆติดเป็นปีๆได้นะ ติดเป็นปีๆนั้นยังน้อยไปความจริงเขาติดกันเป็นหมื่นกับเลยติดตรงเนี้ยติดกันเป็นหมื่นหมื่นกับเพราะงั้นไม่ใช่ภาวนาแล้วก็ไปติดอยู่ในความว่างใจไหลออกไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกพวกหนึ่งนะก็มาเพ่งแต่เพ่งประณีตไม่เพ่งหยาบหยับแบบบังคับไว้กําหนดไว้ประคองไว้ไม่เป็นอย่างนั้นละเพ่งประนีตก็คือถลําเข้าไปรู้พวกหนึ่งนะหลงหออกไป หลงโลกไปลืมกายลืมใจนะั้นเหลือแต่ว่างพวกหนึ่งถลำเข้าไปดูแล้วไม่เลิกนะถลำลึกๆๆ ล, ล, ลงไปเห็นสภาวะเกิดดับแล้วถลำตามลงไปเรียกว่าตามไปดูเมื่อก่อนโทรทัศน์มีรายการตามไปดูเราอย่าทำอย่างนั้นนะเราแค่ตามรู้เราอย่าตามไปดูไม่มีคำว่าไปไม่มีไปไม่มีมาถ้าไปแล้วก็หลงเรียบร้อยแล้วถลำลงไปจ้องหนะลวงพ่อก็เคยทาผิดทั้งสองอย่าง ขนาดภาวนาได้เรื่องได้เราแล้วนะภาวนามาก็ได้เยอะละพอมาภาวนาไปช่วงหนึ่งนะไปดูในว่างๆก่อนจะไปดูว่างเนี่ยเข้าไปดูข้างในกันเพราะเวลาเห็นกิเลสสังเกตไหมกิเลสหรืออะไรต่ออะไรแปลกๆที่ผุดขึ้นมาผุดขึ้นจากกลางอกแล้วเราไปจ้องอยู่ที่กลางอกเนี่ยเพง่งละไปเพ่งไว้ไปจ้องไว้ไปดักไว้ไปรอดูนี่คือเพ่งเรียบร้อยละไปจ้องจ้องนะกิเลสโผล่ขึ้นมา พอเราไปดูในกิเลสหดเลยแทนที่กิเลสจะขึ้นมาแล้วสลายตัวไปนะกิเลสก็หดลึกลงไปเข้าไปอยู่ใต้จิตสํานึกนะยิ่งภาวนาอย่างนี้ยิ่งภาวนาเก็บกดนะ่ะกลายเป็นไปเพ่งใส่จิตกิเลสจะหดตัวลงไปเราก็ตามไปดูทรงจิตลึกลงไปอีกมันหนีลงไปอีกแล้วลึกลงไปอีกลึกลงไปตั้งใจไว้เลยกูจะตามมึงให้ถึงสิ้สุดเลยอยากดูซิว่าต้นตอมันอยู่ที่ไหน นี่ถ้าตามลงไปถึงที่สุดวันหนึ่งต้องเจอจิตอวิชชาแนะ่เลยที่ครูบาอาจารย์พูดถึงว่าเป็นจิตต้นกําเนิดจะไล่ไปให้ถึงจิตอวิชชาเลยดูลึกๆๆๆลงไปหารู้ไหมว่าเรากําลังเอาจิตไปดูเราไม่ได้ดูจิตเราส่งจิตไปดูแล้ลึกลงไปเรื่อยไปติดอยู่ข้างในนะวนอยู่างเงี้ยละเอียดยิบเลยอย่างกเกละอองชีฝุ่นเล็กๆในอากาศนะน้อยๆ แหมยังก็อากาศดีมากเลยมีฝุ่นนิดๆ น, น้อยๆไปคลุกอยู่ข้างในนะตะลุมบอลอยู่นะวันหนึ่งบุญวาสนาส่งนะไเจอหลวงปู่สิมเรับหลวงปู่สิมเนี่ยท่านเป็นปรูบ า, าอาจารย์อาเซจา์องหนึ่งนะเราพอนาผิดไม่ต้องถามหรอกพวกถามนะท่านก็ไม่ค่อยตอบหรอกมีพอท่านเห็นหน้าท่านก็กวักมือเรียกเลยผู้รู้ผู้รู้แนี้ เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านไม่รู้ชื่อผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกออกมาอยู่นอ ก, น, อกน่นะี่กิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกกิเลสมันอยู่นอ ก, น, อกน่นะี่เราฟังเออหลวงปู่สิมทำไมให้ส่งจิตออกนอกจวาจริงเราถลำลงไปเพ่งแล้เห็นไหมการเพ่งนะภาวนาจนละเอียดแค่ไหนก็ยังมีเพ่งอยู่มันหลงพลาดไปได้เสมอเลยในที่สุดค่อยๆมาสังเกตอ๋อเราถลำลงไปดู กลายเป็นไปเพ่งไปจ้องไว้ถลัมลงไปดูคราวนี้ไม่ไม่เข้าข้างในนะออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกปุ๊บนะดูเห็นเกิดดับอยู่ไม่นานนะว่างเลยว่างอย่างที่พวกเราติดว่างตอนเนี้พวกเราหลายคนจะไปติดว่างจิตไม่ถึงฐานจิตเคลื่อนออกไปอยู่ข้างหน้าอยู่แถวเนี้ยแล้วก็โล่งว่างมีความสุขมากเลยดูไปดูไปมีแต่ความสุขนึกในใจนะพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์แต่มันมีแต่สุขะ่ะ ฉลอยสุขนี้ก็เป็นทุกขนะ์นะนี่คิดช่วยมันด้ยเพื่อจะเข้าข้างตัวเองว่ายังภาวนาถูกอยู่เนี่ยสุขก็เป็นทุกข์เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งคงเป็นทุกขนะ์เข้าข้างตัวเองซะสุดๆเลยกำจริงจิตไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดไม่เห็นทุกข์หรอกจิตไม่ถึงฐานจิตเคลื่อนออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจิตไปอยู่ในว่างเนี่ยเป็นปีเลยนะจนกระทั่งไปหาอาจารย์มหาบัวนะไปกับแม่ชีเนี่ยตอนนั้นยังไม่บวชนะไม่ใช่พระควงแม่ชีไปนะ ยังไม่ได้บวชทั้งสองคนแหละอไปหาท่านนะไปถามท่านบอกเอ้ยผมดูจิตดูใจอยู่นะครูบาอาจารย์ทุกๆองค์เลยบอกว่าไม่มีวิธีปฏิบัติที่ยิ่งกว่านี้แล้วอันนี้สุดยอดของกรรมฐานแนละ้วภาวนาเข้ามาถึงจิต ถ, จถึงใจได้เนะี่ยบางองคศร์นะหลวงุู่เทศบอกถ้าภาวนาเข้าถึงจิตถึงใจถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติภาวนาไม่มาถึงจิตถึงใจใช้ไม่ได้ะหลวงปูดด่ตูลก็สอนนะ หลวงพ่อเคยถามท่านบอกเฮ้ยผมต้องกลับมาดูกายไหมท่านก็บอกว่าดูมาจนถึงจิตแล้วทำไมจะย้อนกลับไปดูอีกกายเป็นของทิ้งจิตมันทิ้งไปแล้ ว, ลวก็มาดูจิตต่อนี่ครูบาอาจารย์ทุกๆุกองนะหลวงปู่สิมหลวงปู่อะไรต่ออะไรหลวงพ่อพุทธทุกองค์เลยสอนเหมือนกันหมดเลยว่ารู้อยู่ตรงนี้แล้วคล้ายๆเราทําสงครามกองโจร น, นะตีมาจากชนบทล้อมเมืองบีบจนถึงเมืองหลวงแล้ว ไม่มีวิธีปฏิบัติอะไรยิ่งกว่านี้แล้วท่านมากแต่ทำไมไม่พ้นในใจเรารู้นะว่าไม่พ้นเพราะว่าตอนตื่นนอนมาเนี่ยจิตยังไหลเข้าไปหากิเลสได้อีกพอดูเห็นจิตมันไหลไปหากิเลสลุกคิกสองทีนะจิตฟลุปว่างสว่างอยู่ทั้งวันอีกแล้วไม่หลุดพ้นจริงอะ่ะยังมีสองอย่างอยู่มีจิตที่ติดกิเลสกับจิตที่หลุดออกไปอะไรที่เป็นสองไม่ใช่ของจริง ยังเป็นคู่อยู่ยังแปรปลุนอยู่ใช้ไม่ได้จริงหอกแต่ไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนนึกก็ไปเจออาจารย์มหาบัวก็ไปเล่าท่านบอกท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็บอกให้ผมดูจิตนะผมก็ดูมาท่านก็บอกว่ามันสุดทางปฏิบัติต ร, ตรงเนี้ยให้รอเวลาเหมือนผลไม้ที่จะรอเวลาสุกงอมแต่ผมทํามานานแนละ้วทาไมมันไม่ไม่ผ่านจุดนี้สักทีคือผลไม้ทําไมไม่ยอมสุกสักทีว่าลูกนี้ดื้อเหลือเกินนะ ท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนัน้นดูไม่ถึงจิตแล้วดูไม่ถึงจิตแล้วนะที่ว่าดูจิตอยู่ไปดูอว่างเข้ามันไม่ได้ย้อนมาดูจิตตัวเองนั้นมันเดินปัญญาต่อไม่ได้ท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านสอนอย่างนี้สอนสั้นๆไม่สอนยาวหรอกรูบาาจารย์กรรมฐานไม่พูดเยอะนะ ไม่เหมือนหลวงพ่อเราพูดละเอยียดยิบไปหมดเลยพูดน้อยกว่านี้มันก็ไม่ทำพูดอย่างนี้ยังพอตื่นเต้นสนใจธรรมะยังพอจะไปทำบ้าง <c oughs> มาพิจารณาดูว่าทาไมท่านว่าเราดูไม่ถึงจิตทำไมท่านให้บริกรรมนะมาหันบริกรรมกลับมาบริกรรมใหม่พุโทโธพุโทโธนะหอ้ทุกข์เหมือนโลกจะแตกเลยใจไม่เอาใจทุรนทุรายอย่าเลยแทนที่จะสงบนะกลับทุรนทุรายขึ้นมาใจมันติดว่างมานาน เราพุทโธนิดเดียวเป็นสิ่งแปลกปลอมนละใจไม่ยอมอา้าใจไม่ยอมพุทโธไม่เป็นไรมาหายใจก็ได้นะมาหายใจเข้ า, าหายใจออกนะเพราะว่าถนัดหายใจมาตั้งแต่เด็กๆพอมาทํำวิปัสสนานะช่วงหนึ่งลืมสมถะไปทิ้งสมถะไปเลยจเจริญปัญญาลูกเดียวเลยตรงนี้ก็ผิดนะสมถะก็ทิ้งไม่ได้หรอกนี่ตอนจเจริญปัญญาเนะี่ยมันลืมสมถะตะลุมบอลตลอดเลยจเจริญปัญญารวด ใจไม่ตั้งมั่นใจไม่ถึงฐานนี่เองพอาหายใจเข้าหายใจออกสักพักหนึ่งนะจิตรวมเข้ามาโอ้พอมันส่งออกไปดูว่างนะรู้เลยว่ามันเคลื่อนไปดูนะเราหลงอยู่ในภพละเอียดที่สร้างขึ้นจิตไปสร้างภพละเอียดขึ้นมาแล้วเป็นภพละเอียดมันเป็นภพที่มีความสุขนะจิตไปติดอยู่ในภพที่มีความสุขมีหน้า่ะมันผ่านไม่ได้เพราะมันติดอยู่ในภพนะจิตมันไม่ตั้งมั่นจริงจิตขาดสัมมาสมาธิ เมื่อจิตขาดสมาสมาธิปัญญาจะไม่มนะีปัญญาเกิดจากสมาสมาธินะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าขาดสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นก็ปัญญาไม่มีพอเห็นตรงนี้นะใจตั้งมั่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อได้พอนะดีมาบวชมาบวชก็ใจก็ตั้งดู่ยมก็เคลื่อนไปก็รู้เคลื่อนแล้วก็รู้เคลื่อนแล้วก็รู้นะไม่ได้ภาวนาอะไรมากแต่อาศัยเดินจงกรมนะ ก็ตอนก่อนจะบวชเนี่ยพร้อมละแม่ตายไปแล้วพร้อมละชวนพ่อมาอยู่วัดที่มังการนะเดินจงกลมใหญ่เลเดิมหามรุ่งหามค่าเลยนะเดินจนถ้าขาเราปเป็นเหล็กเนี่ยนะขาเราจะสึกไปเยอะเลยตัวต้องเตี้ยวกว่านีเน้เดินเดินเดินเดินเดินไปหมดเลี้ยงหมดแรงก็ลงมานั่งหอบแคกแกนะมีแรงเดินใหม่ ยิ่งเดินเนี่ยจิตยิ่งแย่ลงแย่ลงเลยแย่กว่าตอนไม่บวชซะอีกเดินอยู่เดือนครึ่งนะเดินอยู่เดือนครึ่งเข้าพรรษามาครึ่งครึ่งพรรษาวันหนึ่งบ่ า, ายหมดเรี่ยวหมดแรงในบ่ายสองมาเดินจงกรมอยู่ที่ระเบียงต้นไม้ไม่มีตอนนั้นอยู่ในท้องนาปลูกต้นไม้ไว้นะต้นยังแค่ขาแค่เอวอย่างมากก็ต้องเดินแล้จงกรมที่ระเบียง เดินจนเหนื่อยนะมองไปออกไปนอกวัดมันมีภูเขาอยู่สามลูกเรียงกันใครไปสวนโพจําได้ไหมภูเขาสามลูกเนี่ยสวยมันเรียงกันลูกมันเท่าๆกันเลยนะความจริงมันไม่เท่าอะ่ะแต่ว่ามันเหลื่อมไปเหลื่อมมานะเลยดูแล้วด้วยสายตาจากที่สวนโพนะ่ะเท่ากันเป๊ะเลยสามลูกแล้วเว้นช่องไฟสวยงามดูไปที่ภูเขาสามลูกนี่ภูเขาสามลูกนี่ไม่มีน้ำหนักเลยใจเรามีน้ำหนักนี่ มันเฉลียวใจขึ้นมาแทนที่เราภาวนาแล้วใจจะยิ่งเบานะไม่ยึดไม่ถืออะไรโลกราธาตุในความเป็นจริงโลกกธาตุว่างเปล่าแต่ใจเรามีน้ำหนักใจเราต่างหากยึดถือใจมันก็นึกขึ้นมาได้หลวงปู่ดูนเคยสอนไว้ประโยคหนึ่งบอกวันใดที่เห็นว่าจิตกับสภาพที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวรวดวันนั้นเธอจะเข้าใจที่สุดแห่งทุกข์เลย นี่จิตของเรากับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ไม่ใช่สิ่งเดียวรวดเลยจิตเราหนักธรรมชาติไม่มีน้ำหนักจิตเราหนักเราต้องทำผิดแล้วล่ะโอ้เราไม่ถนัดเดินนะมีเก้า อ, อี้พลาสติกอยู่ตัวงตัวร้อยกว่าบาทเนยแบบเนี้ไปลากออกมาเลยจากในห้องนะมาวางที่ระเบียงไม่เดินแล้ววะ <laughs> มีวะด้วยนะเรามันนักเลง <laughs> นั่งดูภูเขานั่งดูโน่นดูนี่ไปนะใจ ที่จงใจปฏิบัติค่อยคลายออกคลายออกคดูอยู่ไม่ไม่นานนะใจก็คลายออกคลายออกมาก็ทำสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างนะจเจริญสติในชีวิตประจําวันบ้างฝึกอ ย, อย่างนี้เรื่อยๆนานๆก็ลืมสมถะอีกละก็ต้องกลับมาทำใหม่วนเวียนวนเวียนไปนะภาวนาอยู่ 2, สองพรรษาได้ใจก็เปลี่ยนแปลงสบายมีความสุข กั้งวันก็สุกกล้งคืนก็สุกนะ <c oughs> มันก็ไม่ใช่อีกเลยนะ <c oughs> ค่อยภาวนาไปเรื่อยๆนะอยู่น้่นก็ลำบากเหมือนกันนงคนก็เข้าไปเต็มวัดนะที่ส่วนโพตอนหลังๆรับญาติโยมไม่ไหวแม่ชีกับครูบาอาจสองคนนะทุกวันเลยต้องไปปั๊มส้วมส้วมเต็มทุกวันเลย อัศจรรย์มากเลยทําไมเต็มทุกวันเลยโยมทําไมมันอื้อมากขนาดนั้นตอนหลังถึงรู้นะรากไม้มันเข้าไปอุดรากต้นไม้มันใช้ใช้หลวงอานี่แหละชอบปลูกต้นไม้ปลูกไว้ันติดซ่วมเลยนะมันใช้เข้าไปหากินในซ่วมนะต้นนี้งามกว่าเพื่อนเลยตน้นคีเหล็กงามงามงามสุดๆเลยต้นเนี้ยแท้มันใช่รากเข้าไปขวางท่อซ่วมผู้หญิงซะด้วย เอาส้วมผู้หญิงตันเนี่ยนะสิ่งที่คนสงสัยที่สุดคือผ้าอนามัยสาไปซื้อป้ายมาติดเนี่ยเอาผ้าอนามัยไปใส่นะใส่แล้วก็ยังตันอีกปิดป้ายแล้วก็ยังตันุท้ายเจอต้นไม้มันเข้าไปอยู่ดูดส่วมทุกวันเลยดูดส่วมนะต้องดู ด, ดน้ําออกทุกวันทุกวันทุกวันนะมันรองรับไม่ไหวนะที่จอดรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี มาอยู่ทางนี้ก็เลยมาอยู่ที่นี้ค่อยใหญ่ขึ้นเลยเพราะพวกเราภาวนานะสิ่งที่ผิดมีสองอันสรุปง่ายๆเผลอกับเพ่งตั้งแต่เบื้องต้นจนเบื้องปลายของการปฏิบัติก็ผิดอยู่ที่เผลอกับเพ่งนี่แหละเบื้องต้นเผลอไปก็ฟุ้งตามกิเลสไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปสัมผัสทางกายหลงฟุ้งซ่านทางใจหลงไป การบังคับกายบังคับใจเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้ควบคุมไว้นนี้ทําให้เจริญมีปัสฉนาไม่ได้พอไม่เผลอไม่เพ่งนะกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่งงางนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่งงางนั้นรู้สึกไปเรื่อยดูไปเรื่อยกบสติปัญญาค่อยแก่รอบขึ้นรอบขึ้นภาวนานก็ดีขึ้นผ่านเป็นลำดับลําดับไปพอภาวนานไปช่วงหนึ่งนะัการปฏิบัติละเอียดขึ้นไอ้ที่ผิดก็ละเอียดตามไปด้วย เผลอเนี่ยไม่ใช่เผลอไปในไกลนะเผลอไม่ใช่เผลอตามกิเลสไม่ได้เผลอไปในกามแต่เผลอไปในรูปและอรูปเช่นเผลอไปเพ่งกายนี่ไปเพ่งเงาเพ่งกับเผลอนะรวมแล้วเผลอทั้งหมดนะเผลอไปเพ่งเพ่งกายเนี่ยไปหลงไปในรูปเพ่งความว่างเพ่งจิตนั้นหลงไปในนามพอหลงไปแล้วก็เพลิน พอเพ่งโดยเฉพาะเพ่งจิตนะมันมีความสุขอย่า ง, งว่างโล่งว่างก็เพลิดเลินมีราคาที่ละเอียดเรียกว่าอารูปปรคาคะถ้าเพ่งกายแล้วพอดีพอดีประคองไว้พอดีพอดีมีวความสุขจากการเพ่งกายเรียกว่ามีรูปปรคาคะจิตจะเกิดรู ป, ปรคาคะพอใจในการเพ่งรูปพอใจในการเพ่งนามรวมรับห ล, ล, ลงทั้งคู่มีราคาทั้งคู่อันหนึ่งก็ ไปว่างเลยไม่เดินอะไรต่ออีกอันหนึ่งจ้องเงาจ้องเงาไม่เลิกลึกลงไปลึกลงไปอันหนึ่งหลงไปข้างนอกอันหนึ่งหลงเข้าข้างในอันหนึ่งหลงไปในความความหยาบอันหนึ่งหลงไปในความละเอียดความไม่มีอะไรหลงไปภายในหลงไปภายนอกหลงในหยาบหลงในละเอียดหลงในความสุขที่ประณีตรความแล้วหลงทั้งนั้นเลยมีแต่หลง ถ้าครูบาอาจารย์บอกให้ก็พลนง่ายครูบาอาจารย์ไม่บอกเราต้องสังเกตแต่เดิมหลวงพ่อก็ภาวนาลำบากนะอยู่ห่างครูบาอาจารย์เวลาติดขัดทีหนึ่งต้องใช้ความสังเกตนานกว่าจะเข้าใจบางเรื่องสังเกตไม่เข้าใจเจอครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้พวกเราคอยสังเกตไปถ้าภาวนาแล้วใจโล่งใจว่างมีแต่ความสุขทาผิดล้วต้องเห็นทุกข์สิไม่ใช่เห็นแต่สุข ถ้าไปติดในความสุขรู้ทันว่ายินดีพอใจในความสุขมันก็ไม่ติดเห็นไหมราคามันดับไปจิตก็ไม่ติดตัวที่ทําให้ติดก็คือราคาราคาหรือตัณหาเป็นอย่างเหนียวนะทําให้เราติดอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าจิตพอใจในความนิ่งความว่างมีความสุขอยู่ในความนิ่งความว่างรู้ทันราคาดับไปจิตที่ไม่ติดในภพที่มีราคาจิตกหลุดออกรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้ หรือจริงจังในการปฏิบัติมากเลยดิ้นหลนขนกว้าดิ้นหลนขนกว้ามากนะคือความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านทำยังไงว่าจะบรรลุพระอระหันตสถกีใจไม่คิดว่าจะทำยังไงตัวนี้เรียกว่าอุทธ จ, จักความฟุ้งซ่านถ้าดูไม่ดีนึกว่าเป็นปัญญานึกว่าจิตเจริญปัญญางั้นกิเลสนะพอละเอียดนะหน้าเหมือนกุศลเปียกเลยดูสดใสซาบซ่ามากนะ เหมือนนางมารร้ายสวยแล้วตลอกคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะดูยากเพราเราค่อยๆสังเกตนะมันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้หรอกค่อยสังเกตไปจิตไปติดในรูปไหมไปยินดีในรูปไหมหรือไปยินดีในอารูปเช่นความว่าง น, นี่รูปปรราคาอารูปปราคะจิตยังดิ้นหลนค้นก้าหาทางบรรลุพระอรหันต์ไหมถ้ายังมีความดิ้นหนค้นก้าอยู่ เรียกว่ามีอุท ธ, ธัจจะสังโยชน์อยู่มีรูปปาราคะสังโยต์อรูปปาราคะสังโยต์ใช่ไหมมีอุท ธ, ธัจจะสังโยชน์ภาวนาไปภาวนาไปดูครูบาอาจารย์ดูท่านมีความสุขหนะ้าเราไม่ได้อย่างท่านเสีทีนะนี่มีเทียบขึ้นมาท่านดีนะเราไม่ดีเนะี่ยรู้สึกเงี้ยคนทั่วๆไปถ้ายังหยาบอยู่เนะี่ยจะรู้สึกว่าชั้นดีคนอื่นแย่นะ แต่พอภาวนาไปเรื่อยๆนี่ฉันทำไมมันแย่อย่างนี้วะไม่ดีเหมือนท่านสักทีตัวนี้คือมานะสังโยชน์นะมานะสังโยชน์เป็นตัวมานะถือตัว mm. แล้วก็ใจลึกๆนี่มันจะรู้สึกอยู่ตลอดเลยว่าอะไรนาะที่ยังไม่รู้มีสิ่งบางสิ่งที่ยังไม่รู้อยู่เพราะไม่รู้สิ่งนี้แหละจิตถึงไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ลึกๆมันจะรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดนะ ภาวนาบางวันนะบางครั้งบางคราวจิตปล่อยวางจิตพอจิตปล่อยวางจิตแล้วเสร็จแล้วไม่นานนะก็ไปหยิบเฉวยจิตขึ้นมาดูต่อดูต่อเมื่อไรจะวางได้ไปหยิบพัดนขึ้นมาแล้วก็มาคล่ำครวนเมื่อไรจะวางได้ทำยังไงวะจะวางได้เนะี <N> ่ย <N> มันโง่อยู่อย่างเงี้ยมันโง่อยู่อย่างเงี้ยว้ยมันยากนะกว่าจะเข้าใจ กว่าจะรู้นะว่าอะไรไม่รู้อะไรทำให้ไม่วางไม่รู้แจ้งอริยสัจความไม่รู้แจ้งอริยสัจนั่นแหละเรียกว่ า, าวิชาเพราะนั้นทางที่จะหลุดพ้นนะก็คือต้องทำวิ ช, ชาให้เกิดอวิ ช, ชาก็จะดับไปวิ ช, ชาคือความรู้แจ้งอริยสัจข้อที่หนึ่งรู้ทุกทุกคือกายกับใจคือรูปนาม หน้าที่ของเราต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปการภาวนามีเท่านี้เองการทํำวิปัสสนากรรมฐานก็คือการที่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจความจริงก็คือไตรลักษณ์นั่นเองดูอย่างนี้เรื่อยไปพอมันรู้แจ้งนะกายกับใจเป็นไตรลักษณ์แจ่มแจ้งเรียกว่ารู้ทุกแจ้งทุกลุน้นลุ้นเอยไม่เห็นดีพิเศษเลยเลยจิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกหมดความยึดถือกายยึดถือใจ พอไม่ยึดถือกายไม่ยึดตือใจปั๊บนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมูทยัยจะถูกละอัตโนมัตตันหาจะไม่มีอีกละตันหามันคือความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์พอไม่ยึดกายยึดใจก็ไม่มีความอยากที่จะให้มันเป็นสุขไม่มีความอยากให้มันพ้นทุกข์นะตันหาไม่มีเมื่อตันหาไม่มีตันหามไม่เกิดตันห า, ด, นหาดับสนิทไม่มีอีกแล้วนะีน่โรธคือนิพพานก็ปรากฏพรานิพพานคือความสิ้นตันหาขณะจิตที่รู้แจ้งนิพพานนั้นแหะ รู้ทุกข์จนลาสมุทัยแจ้งนิพพานขึ้นมาขนาดนั้นแหละคือการเกิดอริยมรรคนี่เส้นทางเดินของพระอริยาทางหลายท่านก็เดินอย่างนี้นะไม่เผลอไม่เพ่งนะรู้กายรู้ใจไปไม่เป็นหลงติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งค่อยรู้เรื่อยๆไปวันหนึ่งก็ถึงเกิดความเข้าใจว่าเป็นจริงของกายของใจก็วางรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพรเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะ ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติจบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จละกิจอื่นที่จะทำเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกละงานในทางศาสนาพุทธเป็นงานที่มีเวลาสิ้นสุดไม่เหมือนงานในโลกไม่มีวันสิ้นสุดน ะ, ะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ